วันนี้ก็เป็นวันเสาร์อีกเหมือนเดิมแต่เป็นตอนเย็นนะตรงกับวันที่ยี่สิบตีกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดตอนนี้เราได้กระทำสิเรกว่าบญมาหลายหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะที่เราก็ได้คุยสนทนาทำกันไป แต่ถึงเวลาที่เราต้องการความสงบของใจคได้กับพักผ่อนสิ่งที่เดชสุดกดคือการหยุดความคิดทั้งหลายหยุดคามอยากหยุดคามกังวลหยุดคามวุ่นวายในเร่งเรื่องหน้าหยุดคามกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงแตไปหวนคิดพิจารณาจึงความเป็นจีิงก่อนเพื่อนว่า เราไม่อาจจะหนีสิ่งที่เรียกว่าความตายและความตายก็มาเดียนในนิมิตเครื่องหมายอันนี่เราต้องคิดก่อนแนะ่ถ้ามันไม่มีนิมิเครื่องหมายบอกอะไรเราเลยและเราต้องตายจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น้าหวาดเสียวเหมือนกันความตายจะทำให้นักเวลานั้นของเรา มันคิดในสิ่งที่เราต้องการจะคิดแล้วมันทําลายความคิดดีๆที่เราเคยคิดมันเอาความคิดที่ทําให้จิตใจเศมองมาแทนแล้วก็ยังอย่างลงไปไม่ได้ชัดเจนนักจนกว่าเราจะเป็นคู่กับคําว่าลังเลสงสัยทีนี้ว่าเราหมดคําว่าลังเลสงสัยในเรื่องอะไรประการแรกคือหมดคําว่าลังเลสงสัยในเรื่องของศีล ว่าที่เราตั้งใจไปพิจารณพยายามที่จะทำความเข้าใจในเสียงสิกขาบททั้งห้าประการก็ดีแปดประการก็ดีควบ ก, กับกรรมบทติไปด้วยแล้วก็ถามตัวเราเองว่าเราหมดคําว่าลังเลสงสัยแล้วหรือยังว่าเราเนี่ไม่มีเจตนาที่จะทําความชั่วคิดชั่วพูดชั่วไม่มีเจตนา ที่จะยินดีให้ใครทำความเชื่อพูดเชั่ ว, วคิดเชื่อแล้วก็ไม่ยุติยงส่งเสริมให้ใครทำสิ่งนั้นเหมือนกันตลอดระยะเวลาทั้งวันผ่านมาก็ดีตอนหน้านี้ก็ตามเราหมดเรามีความลังเลงใสงสัยในตัวเราไหมว่าเราอยังมีข้อกังขาคือไม่เข้าใจในสิ่งที่เราก็ทำลงไปว่าถูกหรือว่าผิด มีในใจเราไหมถ้ามันมีอยู่ก็แสดงว่าเรายัางลังเลสงสัยในผลที่เราตั้งใจปฏิบัติในศีลอันนี้ก็น่าคิดถ้ายังมีอยู่คติของเราก็ยังไม่แน่นอนก็ยังไม่มีเครื่องประกันใจเราได้ว่าเมื่อนะเวลาที่ความใจเข้ามาเยือนเราจะมีสิ่งนี้ช่วยให้ใจของเรานั้นไม่จะสัวอบายภูมม ดันคำว่าบมดลังเลสงสัยในผลแห่งการปฏิบัติที่โดยเฉพาะเรื่องของศีลก่อนเบื้องต้นเราหมดไปแล้วหรือยังวันคือน ล, ล่วงไปเรายังต้องมีความกังวลใจว่าเรายังผิดพลาดอยู่หรือเปล่าเรานี่มีเจตนาทาความชั่วหรือเปล่าอย่านั่งกังวลใจตัวเองไหม ในสินห้าแล้วกักรรบกรรมบัสิทธิ์ที่เราตั้งใจรักษาด้วยว่ิสินแปดตัวดีมีไหมถ้ามีอยู่เราก็ต้องเตือนตัวเองว่าเรานียังคติไม่แน่นอนเดี๋ยวถ้าเกิดตายไปอย่างคนที่มีคติไม่แน่นอนต่อให้เราทําบุญไว้เยอะก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะคั้นจนใจเราให้พ้นอบัยภูมิได้อย่างแน่ๆโดยอย่างท่านแม่มลิกาเทวี ที่ศษก็เลยพระคุณหลวงพ่อท่านแนะนำให้เราได้เห็นตัวอย่างของท่านว่าท่านแม่มนุกาเกจวีเป็นหญิงคึ้งัดงานไปได้คุณงามความดีและ้ตะวาจาจักน้อยนิดที่จะพูดให้สะเทือนใจของสามีก็ไม่เคยแส่สงวาจาออกไปเลยก า, ารกระทำใดๆที่จะคิดเบีดเดินใครก็ไม่เคยทำมีแต่ยินดีที่จะให้เครงะหออย่างเดียว ในการตั้งทานคือบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวในพระศาสนาเขาองค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าอบัติเกิดขึ้นในโลกที่เรียกว่าอาชิตสถานท่านจะเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคนได้กระทําสิ่งนี้ให้เกิดผลเรียกว่าทำำําสําเร็จถ้าเที่ยวกาบบุญเราก็ไม่เท่าท่านถ้าเลือกต่างๆาตัเกเตํอนสัมโภาวาจาใจเราก็ไม่ถึงท่านเลยแนมะ้จะเที่ยวหนึ่ง แต่ท่านจะต้องเอาเท้าของท่านข้างหนึ่งไปแย่ในนรกถึงเจดวันมนุษย์นี่มันพลาดเพอะไรถ้าพราะท่านชิดว่าท่านน่ะทำความผิดผิดที่ทำใม้ไปเถิดสะดุดเท้าของสา ม, มีได้ท่านจำาหนืตัวเองว่าท่านผิดทั้งๆ ท, ท่านไม่มีเจตนาสามีจะบอกว่า น้องหญิงไม่มีเจตนาไม่ผิดหรอกอย่าเอาไปคุ้นคิดแต่ถ้าใครอยากคิดว่าท่านผิดอยู่ดีนี่เขาจะลังเลสงสัยไหมตั้งใช้คาว่าลังเลสงสัยในสิ่งที่ท่านทําอยู่ว่าท่านไม่มีเจตนาก็ไม่มีเจตนาแค่ไม่ได้คิดจะกระทำให้สามีของท่านต้องถูกรู้สึกว่าท่านสะดุดในเท้าของท่านเลยไม่ตั้งใจอยากจะทำสิ่งให้เกิดขึ้นกับคนที่ท่านรักเลยไหมสักนิด ถ้่ท่านก็ยังทรงใจของท่านไม่ตกก็ยังคิดว่าตัวเองผิดตัวเองไม่ดีเพราะท่านไม่เคยทําสิ่งนี้เรามั่นระวังอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดอะไรขัดเพืองจิตใจของสามีหรือจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อสามีของท่านเลยจะพอสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นมาทั้งทั้งที่ท่านไม่มีเจตนาแม้สักนิดเดียวแต่ก็ไม่สามารถจะตรงใจลงไปหรือเข้าใจความเป็นจริงว่าเราไม่มีเจตนาจะผิดอย่างไง เราไม่ใช่ผูดที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจะวามตั้งใจที่จะทําให้สา ม, มีอของเราเดือดร้อนมันผิดตรงไหนถ้าเราคิดอย่างนี้ถ้าคิดว่าผิดฐานผิดอย่างเดียวเราไม่ดูอย่างเดียวเราเลยเสร็จแล้วจิตมันก็เลยเกาะ อ, อยู่สิ่งที่ท่านคิดอยู่เจ้าหมองพอท่านใจจากความเป็นมนุษย์ไปเท้าข้างหนึ่งที่จะดูท้ายสา ม, มีก็ต้องหย่อในแดนนรกนี่เจ็วันมนุษย์ ไยนรกนะม่เจ็บใจแบบอย่างเราเราอย่างนี้แค่โดนหนมอเดี๋ยวก็ร้องแล้วแต่นั่นไยนรกนะเผาเท้าท่านนะนานถึงเจ็ดวันยังไม่ไม่ใ่ก่อยนะก็ถือว่าทุกข์ทรมานสาหัสสากันเหมือนกันนะนี่คือคาว่าคติที่ไม่แน่นอนเพราะยังมีใจที่มีความลังเลสงสัยในผลที่ท่านปฏิบัติ หีือตามความเข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งฉังนได้ไปฉันนั้นด้วยการที่เราตั้งใจรักษาสิบบ่งห้ากรรมบทจิตให้แข็งครับแล้วเราก็เกิดความกลัวเกิดความคิดคิดต่อว่าเราเนี่ยผิดแล้วเรานี่ยเลวแล้วเราไม่น่าเลยจัดมาตายเพระเราเราไม่น่าเลยไปเอาของเขามาโดยเราไม่ได้บอกเขาไว้ก่อนถรือวิสาสะลราผิดไปแล้วเรารักทัพย์ไปแล้วอะไรอย่างนี้ตน้ตน เราไม่น่ากล่าววาจาอย่างนี้เลยทําให้คนเหล่านั้นคิดว่าเราในโกหกหลอกลวงเขาที่เราเลวเสร็จแล้วเราไม่น่ากระทให้กนอื่เขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าในใจของเรายังมีความรู้สึกว่าเรานิ่งเลวทั้งทั้งตัวเองไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้ทําความเลวจริงๆนี่แสดงผลของใจเราว่ายังลังเลย ยังสงสัยในสิ่งที่ตนกำลังไขครวาพิจารณาไปตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังพิกเกเวกรมมังวัฒมิเจตนาทนั้นเน่ยเป็นตัวกรรมเจตนาท่านั้นจะดึงให้ใจของเราตง น, ะนรกถ้าเราทำความช่วยโดยเจตนาเจตนายึดยงส่งเสริมเขาเจตนาที่ยินดีเห็นเขาทำความชั่วปรดิแล้วแม้กระทําเองก็ตามสิ่งนี้มันลงนรกแน่ ถ้าตายจากกอนเป็นคนพลาดเมื่อไหร่จิตเวลานั้นไม่มีกุศลเกาะใจแล้วก็ลงนรกทันที่จะเจอตั้งหลาเป็นผู้ตั้งใจทความโดยเครืองละมระวั ง, ม, งมีความละอายในความชั่วกลัวผลตามชั่วที่จะเ ก, กิดขึ้นจึงพยายามระมระวังใ น, น, นศีลสิกขาบทที่ตนเองตั้งใจรักษาแต่ส้าหากขัดติดของใจของเรานั้นหนาะยังไม่ตรงตัว ยังเอาแน่นอนไม่ได้ยังมีความหวั่นไหวคิดเมื่อยที่ท่านแม่มาริกาเทวีท่านคิดก็ดีหลือคิดอย่างที่เราคิดวิตกกังวลกับว่าเราคงจะผิดไปแล้วเราคงจะโลเราคงจะชั่วถ้าอย่างนี้คติของใจไม่เที่ยงไม่แน่นอนตอนนั้นเศร้าหมองไปไหนถึงเธจะทําบุญไว้เยอะทํากรรมฐานดีทําอะไรไดยดีเข้าใจอะไรดีแต่จิตก่อนตามันเศร้าหมอง มันก็จะพาให้เจต้องไปเหยียบแดนนรกได้เหมือนกันแอนปัญญาบาลามีสําคัญไหมสําคัญที่เธอต้องทำความเข้าใจยังหมดความลังเลสงสัยว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนานเป็นโยกกรรมอะเราไม่ได้กระทำเพราะเจตนาทำไมแล้วต้องคิดว่าเราเป็นคนเลวคนชั่วหลาผิดไปแล้ว เราในกลัวหน้ากลัวจะต้องตกนรกกันแน่จะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้คนเราถ้ารู้ตัวว่าเราจะต้องตกนรกมีหรือว่าจะมีเจตนาทาําความชื่อมีไหมกลัวความชื่อกลัวตกนรกขึ้นสมองอย่างนี้แล้วจะเชื่อว่าตัวเองอยากจะทาําความชื่อมันเป็นไปไม่ได้มันสืมความเป็นจริงเฝ็นเป็นตามเป็นตัวตอนที่ตัวเองกําลังคิดด้วยความกลัวนรกอยู่แล้วจะมาอาศัตัวเองตั้งใจทาําความชื่วเนี่ย มันก็ไม่มีในคนบุคคลผู้นั้นแน่แต่เป็นเพราะเราที่ปฏิบัติยังลังเลสงสัยในตนจิตมันก็เลยคิดว่าเรานี่เลวเรานี่ชั่วมีหวังลงนรกกันแน่คิดแบบนี้มันก็ตั้งลงมาสิถูกไหมถ้าเจมันตัดไปแล้วว่าเรานี่ชั่วเรานี่เลวเราผิดทั้งๆความจริงมันไม่ผิดความจริงมันไม่ใช่เพราะไม่มีเจตนา ไม่ข้ อ, องค์ประกอบแห่งบาปคือความเชื่อที่จะส่งผลให้เราต้องไปสู่อาบายภูมิเลยแต่เป็นเพระใจเราโง่เองใจเราไม่คิดพิจนารณาให้เห็นความเป็นจริงอย่างถ่องแท้เองมันก็เลยไม่หมดความว่าลังเลสงสัยในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ปฏิบัติอยู่นี่มันไปอาบายภูมิได้นะจําไหมนะที่สิ่งเดียวที่เราจะไม่ไปอาบายภูมิก็คือทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าเราไม่มี คำว่เ า, าเจตนาทําความชั่วแล้วไม่ตกนรกต้องเชื่ออย่างนี้แต่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่พระพุทธเจ้าตรัสเองไม่ใช่เราพูดกันเองพระพุทธเจ้าตรัสด้วยจับคนอยู่า ย, ยานของพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าสิ่งเนี้ยบุคคลใดไม่มีเจตนากรทําความชั่วไม่มีเจตนายุดยึดทรงเสนอกให้ใครทาความชั่วไม่ได้ยินดีที่เห็นคนอื่นทำความชั่วเธ้ไม่ตกนรก ถ้าขณะพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วเรายังมีความลังเลสงสัยต้องกลับมาถามตัวเองว่าเรานี่ก็ลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าโดยไหมลังเลสงสัยในคุณของพระธรรมและพระอริยสงฆ์โดยไหมก็ต้องกล่าวว่าลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เหมือนกันถูกไหมถ้าพระพุทธเจ้าตรัสเองเราเป็นไม่มั่นใจเลย เราจะมาทำคัดค้านจากตัวเราเองว่าเราคงผิดเราคงเลยเราคงเชื่อเราคงจะาบาปไปและ้วทั้งๆว่าเราไม่ได้ทำกกด้วยเจตนาและแม่สักน้อยนิดกลับ <c oughs> มีใจมาคิดอย่างนี้ฝืนคำตอนของพระพุทธองค์ฝืนในสัพพัญญายานที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็คิดว่าเราอาผิดจริงๆตกนรกจริงๆเลยจริงๆอย่างนี้ต้องตกนรกกันแน่ ในสิ่งันพูดออกไปเเห็นด้วยไหมถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็เป็นผู้ที่ไม่มั่นคงในปรัชนาใจใช่ไหม <S <S แล้วก็หลังเลยในผลที่เราคิดพิจารณาด้วยถูกไหม <S 1> <S 1> ทั้งสองอย่างมันรวมกันแล้วว่า <S <S หนึ่งเราไม่มันนน <S 1> <S 1> มม่นคงในปรัชนะใจสองเราไม่มั่นคงในสติปัญญาของเราเองในสิงที่พระเจา้าสอนว่าคนต้อง ม, มีเจตนา กูไม่ตกนรกจะ่เรากับคิดวา่าเราจกนรกคิดว่าเราเลวอย่างนี้เติดแน่นอนไหมไม่แน่นอนมเมื่อสติมันไม่แน่นอนอนั่แล้วก็สามารถจะเกิเดขจจึ้นกับเธได้ทุกขณะจิตเหมือนกันเข้าใจไหมดังนั้นปฏิบัตระวังเรื่องนี้ให้มากนะ ระวังสงคำว่าสงสัยในคําสอนสงสัยในคุณของพระองค์สงสัยในคําสอนของพระองค์สงสัยในคําสอนของพระอริยสงทั้งหลายผู้ที่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสงสัยว่าท่านพูดอะไรจริงไม่ใช่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดมันถูกนี่คือสงสัยในคุณของพระอริยสงผู้ได้เจริญรอยตามเบื้องพระเยชนนาบานัต เป็นผู้ที่เห็นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเห็นเหตุและเห็นผลในสิ่งที่รงองค์ทรงตรัสพระ อ, อริยาสาวกทั้งหลายเป็นผู้ประกาศความเป็นจริ ง, รงเหมือนเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศค่ายคำที่พระพุทธเจ้าบอกถึงความเป็นจริงออกไปแต่เราก็มารังเลยสงสัยในคําพูดของพระ อ, อริยสงฆ์เราไม่มั่นใจด้วยแล้วเราก็มารังเลยสงสัยในตัวเราเองด้วย ทั้งท่งานจะก็บอกว่าคุณไม่ผิดคนทำอย่างนี้ไม่ผิดหรกคนไม่มีเจตนาคุณจะผิดอย่างไรไม่เชื่อฉันผิดฉันยังเลว อ, อยู่ฉันต้องตกนรกแน่นอนอย่างนี้รับไปจนๆอาบายาภูมิมีสิดลงได้ ท, ทั้งทั้งที่คุณเนะ่ะไม่มีโอกาสที่จะลงแต่คุณก็สร้างเหตุปัจจัยของคุณเองที่จะลงนรกได้ตัวเอง ยันี้จะบอกว่ากรรมอะไรอกรรมที่ปัญญาของเราน้อยเกินไปไหมตั้งโทษแต่เราโง่ใช่ไหมที่เราไม่เชื่อในคนของพระพุทธเจ้าพระสัมมาอริยสงฆ์เราไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดท่านสอนในความเป็นจริงว่าทรงจัดว่าคุณไม่ผิดม่นก็คือไม่ผิดพระพระุทธเจ้าจัดว่าคนไม่ตก น, นรกก็ต้องเห็นแล้วว่าคนไม่มีปัตนาไม่มีใครตกนรก ต้องตรวจด้วยอุปนิสัยมอ ง, งเลือกสรรประโยชน์ใจยามของพระพุทธเจ้าอย่างท่องแท้แล้วจึงทรงตรัสวาจาขช่นนี้ออกไปว่าเจตนาหังพิเคเวกัมังวัามิเจตนาเป็นตัวกรรมพอชัดเจนไม้าานไมพอทำให้าาเธอทุกคนพอจะมองเห็นตัวเองชัดขึ้นไหมว่าเรากำลัง อยู่ในบุคคลที่มีคติแน่นอนหรือว่ายังเป็นบุคคลที่มีคติที่ไม่แน่นอนพอมองตัวเองเห็นไหมถ้าเรารู้สึกว่าเรายังเออถ้าเรายังเป็นผู้ที่มีคติไม่แน่นอนรีบเร่เงเ ร, เร็วๆไวๆรีบคิดตามรีบพิจารณาตามรีบตัดความลังเลสงสัยให้ขาดออกไปจัดแจงแล้วเสียกลับมามองว่าเออเรามาสงสัยในคนของพระพุทธเจ้าทําไม ทำไมเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่องค์ทรงเห็นด้วยสัพพัญญุตจยานผู้รู้ผู้กระทั่งความรู้อย่างยิ่งแล้วผู้ได้บำเพ็ญบารมีม่ด้วยความยากลาบากแล้วกัจกจะรู้ได้พระองค์เองแล้วรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําไมเราเป็นคนผู้ที่กล่าววาจาว่าขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งขอพระธรรมเป็นที่พึ่งของกําหม่ำฉันขอพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมาเป็นที่พึ่งของฉันแต่เรากลับไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่รองค์ทรงตรัส ไม่เชื่อมั่นในคําสอนของจิปองค์ทรงได้ตรัสแสดงออกมาและก็ไม่เชื่อมั่นในคนของพระอาริยสงทั้งหลายเพื่อจปฏิบัติตามปฏิบัติตามเป็นแป้งแล้วจนเราต้อมาคิดว่าเออเราละบาปแน่นๆเรานี่บาปแล้วเรากระทาอย่างนี้เราชั่วแน่แล้วเราไม่น่าทําแบบนี้เลย ทั้งๆที่เัอเองก็ไม่มีเจตนาเลยนะทำไมฉันต้องเตือนจำาบ่อยๆเพราะฉันต้องการให้เธอเนี่ยคิดแล้วก็ย้ำคิดแล้วก็จำไว้แม่นยำเพื่อเป็นเครืนานา่องพิจารณาถึงสิ่งที่เิดกำลังประพบตปฏิบัติในสิ่งที่ขาบทจะเฉพาะเป็นห้ากรรมบทศิษ ก็นี่คือด่าแรกเลยที่เราจะไม่ตกนรกถ้าเป็นข้อรับบริสุทธิ์เราหมดคําว่าลังเลสงสัยในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ประกาศได้เลยว่าฉันไม่ตกนรกแล้วเพราะฉันไม่สงสัยอะไรแล้วตายเวลาไหนฉันก็ไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยแต่ฉันไม่ปรารถนาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉันเห็นดินแดนนี้เป็นไปด้วยความทุกข์สวรรค์ก็ยังไม่ใช่ความสุขจริงพรมก็ไม่เคยความสุขจริงฉันปรารถนาจะไปนิพพานเป็นอารมณ์เดียว ตังต้งเป้าหมายไว้อย่างเดียวอย่างนี้โอกาสปฏิพันธ์ก็สูงเธตายเมื่อไหร่โอกาสปิพันธ์มีแต่เธอแน่ถ้าเวลานั้นมันพลาดตามคิดด้วยชนิดเธอก็มีโอกาสไปอยู่บงสงสนสวรรค์ถ้าองค์เสด็จพระทรงชัยบรมมาจา ก, กระดาษเสด็จมาแสดงพระธรรมเจริญนาถึงครั้งเดียวเธอก็สามารถบรรลุเป็นอาลาหาั น, านได้ปฏิพานได้ตอนนั้นเป็นเรื่องง่ายไหมง่ายแล้ว ที่ยากสุดคือยากตรงที่เธอจะหมดคาว่าลังเลสงสัยในผลแห่งใจที่เธอกำลังประพฤติปฏิบัติในสินปิขาบทที่เธอตั้งใจรักษาหรือไม่เอาให้ผ่านนะปฏิบัติแค่นี้เอาให้ได้นะเอาให้ความมั่นใจในตัวเองว่าเราเนี่ยไม่แล้วไม่กลัวแล้วว่าไรจะมีเจตนากระทำความชั่วไม่มีแล้ว ใจสนิทที่จะคิดในเจตนาทําเองก็ไม่มียึดยงส่งเสริมให้ใครทําก็ไม่มียินดีแม้สนิทก็ไม่มีในใจถ้าเรารู้ว่ามันเป็นโทษมันเป็นบาปเป็นกรรมเรามั่นคงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสจริงเราเชื่อแต่เราไม่ได้เชื่อมอ ง, งายนะเราเชื่อว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าพระองค์จะบรรลุอภิยสัมมาสัมโพธิญาณนี่ทรงผ่านอะไรมาเยอะแยะมากแล้ว ทจงเรียนรู้มามากมายจนจัดสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วอํานาจแห่งสัพพัญญายันของพระองค์ตรงอย่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่า ง, จงแจ่มแจ้งไม่มีอะไรเครือบแคลงสงสัยแล้วพุทธวาจาของพระองค์กล่าววาจาแต่ละคำเหมือนกับงายของตั้มให้เป็นของงายขึ้นมามันจแจ่มแจ้งไม่มีอะไรครอบคุมเอาไว้ด้วยก็ติดดังเราเลยได้แต่นิดเดียวเราเชื่อมั่นไหม ถ้าเราเชื่อพระเจ้าตรัสจริงในเมื่อพระเจ้าตรตัสว่าคุณไม่มีเจตนาคุณไม่ตนกนรกคุณไม่เป็นบาปแค่เนี้ยเชื่อไหมถ้าเราเชื่อว่าเจตนาเราไม่ ม, เ ม, มีเราไม่ตกนกรกแล้วก็มั่นใจไหมมั่นใจเมื่อเรามั่นใจเราจะกลัวไหมใครนี้เราไม่กลัวแล้วเวลาจะทําำบามชั่วถ้าใจาเราไม่มีเจตนาที่จะทำบามชั่วเลยแม้แต่ น, นิดเดียวนรกไม่มีทางพาเราไปได้ ลเราจะไม่เหมือนกับท่านแม่มาริการเทเวสมัยนั้นเอ้วันนี้ขอให้เจาถือเรื่องของวิติกิจชานะคำว่ า, าลังเลสงสัยในเรงการปฏิบัติให้มากเข้าไว้ข้อแรกเราไปตามข้อรัจริงในพระพุทธธรรมพร ะ, ะอริยสงถูกไหม ข้อทสองเราเชื่อที่พระเจ้าตรงตอนว่าร่างกายนี้ต้องตายยังไนเสียเราไม่ปฏิเสธเราเชื่อเด็ดขาดเชื่อตามตามเป็นจริงๆเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเราก็นึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายแน่แล้วมาปฏิเสธความจริงในข้อนี้เราถ้าเชื่อมันอย่างหมดหัวจิตหัวใจเลยว่าสิ่งใดที่พระเจ้าทรงตรัสต้องเป็นจริงเสมอว่า้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นเช่นนั้นมาจะบอกไม่มีเจตนาไม่ตรนรกเราก็ต้องไม่ตกนรกทำไมเราต้องเชื่อว่าต้องตกนรก But, เราไม่มีเจดนาเราก็ไม่ใช่นคนเลยทำไมเราต้องคิดว่าเราเป็นคนเลวคนชัว่วอย่างนี้เป็นต้นถ้าใจเราไขเครืค่อนสิ่งนี้จึงครบสมบูรณ์บริบูรณ์ลแล้วอวายวะภูมิปิดปิดขา ด, ด, ดแน่นอนท่านนี้จะไม่ต้องงอนใจแล้วอยู่อย่างสบายใจแล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่ตนนกนรกอย่างเลวที่สุดแล้วก็ไปตะวันยันแล้วก็ต่อไปดิพานได้นั่นคือเลวที่สุดของเราแล้ว พลาดที่สุดแล้วโง่ที่สุดแล้วนะยังได้ไปสวรรคและก็ไปนิพพานได้ไม่อยากแล้วถ้าเราเป็นผู้เฉื่อยเดลดิ่ดหลัดไม่ประมาทในชีวิตคิดถึงความเป็นจริงอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นสุขเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีสำหรับเราที่เราปรารถนาอีกเลยเจอโลกโผล่มโล ก, โล ก, โลกไม่เอาแล้วแต่ใจมันปักใจย้ำใจของตนอย่างนี้เสมอเสมอจนถึงวาระที่ความตายเข้ามาเยือน เวลานั้นจิตมันก็จะคิดอย่างนั้นเขามันเหมือนอญ่างที่เราคิดจยลเป็นปกติเราไม่พานิพพานแน่แบบนั้นแล้วกไปได้ไป ต, ตามความปรารถนาที่เธอต้องการเข้วิปานิชฌานี้ก็จำเป็นไปอย่างนั้น น, น, นี้ยากเกินไปไหมแค่เชื่อพรนียากไหมแค่หมดคําว่าลังเลสงสัยนีมันยากเกินไปไหมในตาที่จะบรรลุ ถึงซึ่งกัวมไม่ต้องตกอบายภูมิเน้นใจเสีสักนิดเดียวอย่าสงสัยในคนที่พระพุทธเจ้าทรงสัจแสดงไว้อย่าสงสัยในคนของพระองค์อย่าสงสัยในคนของพระ อ, อริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามนะคำพูดของริยสงฆ์คือผู้ที่เห็นสัจธรรมเช่นเดียวกับที่พระเจ้ทาทรงเห็นเหมือนกันนั่นคําพูดของผู้ที่รู้ในอริยสัจจะผิดได้ไหมไม่ได้ ที่านพูดต้องจริงเสมอถูกต้องตามนั้นคําพูดของท่านเกิดท่านได้พิสูจน์แล้วปฏิบัติแล้วเห็นตามที่ตระพิทธเจ้าได้ปฏิบัติเห็นแล้วดันั้นท่านจึงพูดอย่างไม่มีคําว่าเครือบแคลงให้เรานื้อมานั่งสงสัยวาจาของพระอาริยสงทั้งหลายจึงเป็นวาจาที่ตรงเป็นวาจ า, ท, จ า, จาที่จริงเสมอคําไหนก็เป็นคํานั้นคูดเป็นอะไรก็เป็นตามนั้นจะไม่คําว่าบิดไปบิดมา ถ้าเราเชื่อในคุณของพระพุธ้ธจจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราก็าจะเป็นคนที่ไม่ต้องกลัวนรกสบายใจได้เลยว่า่านี้กูสบายแล้วอย่างน้อยเราไม่ไปอบาบยภผุจะเป็นพระอริยะหรือไม่ไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวว่าเราไม่ลังเลสงสัยในผลที่เราตั้งใจปฏิบัติตามคิดตาม แ, ตแล้วเราก็เชื่อมั่นในคุณของพระผูพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงเราเข้าเนี้ยอ จะเป็นโสดาบั น, น, บนก็ไม่จะเป็นโสดาบันก็ไม่จําเป็นอันนั้นเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติเอาจริงๆของใจเราเลยว่าเราไม่ลังเลสงสัยนเราไม่ต้องตกมนต์อบแต่ถ้าเราลังเลสงสัยเหมือนอย่างท่านแม่สีนะท่านแม่มาริกาเทวีสมัยนั้นที่ท่านลังเลสงสัยว่าสามีบอกว่าไม่เป็นอะไรเธอไม่บาปเธอไม่เชื่อเธอไม่มีเจตนาะเห็นไหม สามีบอกว่ามีมีเจตนาไม่บาปคุณไม่บาปหรอกคุณไม่ชั่วหรอกคุณอย่าคิดมากนะก็ไม่เชื่อสามีจะเชื่อความเป็ตนตัวเองว่าเรานี่โง่แล้วเรานี่ผิดไปแล้วเราลเราลวแล้วเราไปทำให้สามีของเราต้องมีความรู้สึกไม่สบายใจก็เราไปจดเท้าท่านเข้าเธอเอาเข้าแค่นี้เองนะลงนรอกน่ากลัวไหม น่ากลัวความโง่ของเราไหมหน่ากลัวที่กาที่เราจะเชื่อเป็ในใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่เชื่อลมลมแ้งแรงนะแต่นี่เราเชื่อโดยเหตุด้วยผลและความเป็นจริงพอพระเจ้าจัดอะไรเนี่ยไม่เห็นจะผิดสักอย่างเป็นไปตามนะเพราะไม่ได้ทรงจากจากคนที่ไม่มีสติปัญญาไม่ติความเพียรทรงเพียรอย่างแก่กล้าใช้ปัญญายอย่างมากมายอบทนอย่างสูงยิ่งกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงเชียนะ ถここ yes ้าอารยะสาวกสังไรก็ไ <implemented> ม่ไ anyway, ด้ออกเสียอย่างน้อยๆนะท่านใช้ความเพียรของท่านมามากไม่ใช่กลายเป็นอารหันมป็นของเก๊้วยนะยากนะกว่าจะถึงความเป็นอารหันยากจะตายกว่าจะถึงความเป็นโสดาบันก็ไม่ใช่ของเกล้วยเหมือนกันนะดังนั้นต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างน้อยกันหนึ่งเอาสองไขก็ไรแสงกับนั่นคืออย่างน้อยแล้วนะของการที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติเอาจริงเอาจริงยังต้องใช้เวลาในความภาคเพียงยาวนานในขนาดนั้น แล้วคําพูดของท่านมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยหรือเราจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่จริงไอ้ น, นี่แสดงว่าเราโง่ไหมเราไม่คิดถึงคุณธรรมและความเป็นพระอริยะต า, ากเราไม่นึกถึงว่าท่านเนี่ะได้ปฏิบัติขนาดไหนทำมาขนาดไหนท่านพูดออกไปอย่างเนี้ยมันจะไม่จริงได้ยังไงมันต้องจริงมันต้องใช่ถ้าเราเชื่อแบบนี้เราปฏิบัติง่ายแล้ว สินเราบริสุทธิ์ง่ายแล้วเพียงพระท่านให้สินแล้วเราตั้งใจรักษาสินตามเออไม่ดีนะถ้าเราฆ่าตัดสิ่งของไม่ดีรักษาสิ่งของไม่ดีผิดหรือผิดเมืเ่อสิ่ของไม่ดีมันนินดาดมนตกนรกพระเจ้าสงสารตกนรกเกิดมาก็มีกรรมอย่างนั้นมีกรรมอย่างนี้เป็นโทษของผู้ที่เราเมื่อสินเห็นไหมนี่ขอให้เจ้าทุกคนนะจงจําในวันนี้เอาไว้ว่า การปฏิบัติธอต้องขจัดคําว่าลังเลสงสัยให้ออกจากใจของเธอให้ได้แล้วเมื่อใดก็ตามเธอหมดคําว่าลังเลแข็งสงสัยแล้วสิ่งของเธอไม่ลุกๆคำคำแล้วไม่เป็นซีและปัสตาวะตามาสแล้วไม่มีวิกิติฉาในใจของเธอแล้วเห็นแล้วว่าสกายยทิจิตหรือร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนเธอเห็นแล้วหมดคําว่าลังเลสงสัยแล้วสิ่งของเธอกาว่าลังเลสงสัยแล้ว เธอเป็นพระโสดาบันเธอเป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนาได้แน่นอนถ้าไม่เอาพูดถึงว่าเธอเป็นพระโสดาบันก็ตั้งละเธอไม่ตกนรกแน่นอนเพราะเธอไม่ลังเลยสงสัยในความเป็นตัวของเธอเองในการที่ทำปัมนี่จะฝาบอะไรแต่ไม่ว่าเธอไปฆ่าคสัตว์เธอไม่มีเจตนาเธอระโดนมันตายเธอไม่มีเจตนาอย่างนี้เป็นต้นเธอก็ไม่ตกนรกเพาะเธอไม่มีเจตนา พอเข้าใจไหมหวันนี้ก็วันขอแนะนํากระเธอไว้เพียงเท่านี้นะเอ า, ากลับไปคิดเอาไปพิจารณาตึกใส่ตรองสอบสวนตัวเองเมื่อกลางวันพระท่านจะแนะนําให้เรารู้จักที่จะกล่าวโทษเกี่ยวกับความผิดของตัวเองใช่ไหมหรือสอบสวนตัวเองทำกรรมฐานทําอย่างนี้อย่างนี้เป็นรนดับแบบนี้เริ่มต้นให้มีกําลังใจจ้ะ อยากเป็นความเป็นจริงสร้างกําลังใจของเราที่จะปฏิบัตินักษาจิตให้ส ง, งบทบทวนในความดีที่เรามีแล้วเราก็มีควาสมาธิดีพอสักนิดหนึ่งพอใจสบายแล้วก็มาทบทวนในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของเราก็ดีทบทวในททททวในสิ่งที่เราได้ทั้งเผอลงไปก็ดีทบทวนในสิ่งที่เราตระหนักว่าเราไปถึงไหนแล้วปฏิบัติเป็นยังไงแล้วคิดอะไรอยู่ทุกอะไรบ้าง เขาก็วนไปวนมาในการปฏิบัติแต่นี่คือการที่เราสอบสวนตัวเราเองใช่ไหมไม่ต้องให้ใครเข้ามาเพ่งโทษดูตัวเราเราต้องดูตัวเราให้มากนี่ก็คือท่านแนะนําไว้เมื่อกลางวันตอนเย็นก็มาพูดเรื่องนี้เอา้าได้เวลาที่จะเราตั้งเจตนาอันเป็นดุลใหญ่ที่เกิดทุกจวงกุศนให้กับท่านทั้งหลายตามที่ประเดชพระคุณลหลวงพ่อท่านแนะนําเอาไว้นะน่ะ ทางบุญยะพลังนลบนละงบนใดคุยข้าพเจ้าออทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขออุทิศส่วนกุตอนี้ให้แก่เจกรรมในเวรทั้งหลายขอให้ท่ทนานาออรราาออทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย นับแต่บัดนี้สาข้าวเข้าสู่พระนิพพานและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่เทาพบาเจ้าทั้งหลายที่ปประรักษาข้าพาเจ้าและเทาพเจ้าทั้งหลายเพื่อสารลกลลอาทิตภัและพญา ย, ยมราชขอเทพบาเจ้าทั้งหลายและพญา ย, ยมราช โปรดโมทนาจะเปิดเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้โดยเฉพาและขออธิษฐานกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยคกามสุขเยู่ก็ดีสวยามทุกข์อยูอก็ดีเป็นญาติก็ดีมิเยติก็ดี ฝ่าท่านทั้งหลายจงโมทนาจงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะ่เ่งได้รับและการระบาดเดี๋ยวนี้เกิดผลระดมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลระดมนี้จงเป็นตัดใจให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงเป้พระนิพพานในชาติปัจุบันได้เต็มจะถาว่ริวาหะตุราภริุเรนติการะังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกาปติอิจิตังพจิตังตมหังคิวะเมวะจะมิสต ตัพพเรนตุตังกัปปาจันโทปนณราตนยัามานิโชติราโทยัาสัททีจิโยมิวัชันตุสัพพโรโคมินัสตุมาเตสวันบันตระเยตุขีติขายุโกภะอภิวาตันนาสีริสันิจังวุฒาปจายโนจักตาโรตมาวัชชนติ อายุวั น, นโนตุคงพระลังอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพะกวาตุคังพะกวันตตังอะภิวาเทนิตวาขาโตท้าคารวตาธโมอมังนัมัสสามิ เปิปัันโนะควรวตตสาวกสังโฆสังังมามิโมทนาทุกคนเลยนะ เ, เดินทางากลับก็อดไทยนะกลับไปสัรับทักันเลยนะเลยๆกันเยอะๆเลยนะ